เรานี่มีอะไรที่เหมือนกันที่พวกเราไม่รู้กันเราคิดว่าเรามีความแตกต่างกันเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างเป็นคนไทยบ้างเป็นคนต่างชาติบ้างเป็นคนจนบ้างเป็นคนรวยบ้างแต่ความเป็นจริงนี้พวกเราเหมือนกันหมดทุกคน คือเป็นคนตาบอดตาบอดทางในทางทางตาในไม่ใช่ทางตาของร่างกายทางตาของจิตใจพวกเราเป็นคนตาบอดมืดบอดด้วยอวิชชาความไม่รู้ความจริงของเราว่าเราเป็นใครเรากำลังทำอะไรกันอยู่ เรากลับไปคิดว่าเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังเป็นอะไรกันเหมือนกับคนตาบอดที่คำช้างคนตาบอดที่ไปคำหางช้างก็ว่าเป็นเชือกคนตาบอดที่ไปคำงวงช้างก็เรียกว่าก็คิดว่าเป็นงูคนตาบอดที่ไปคำงาช้าง ก็คิดว่าเป็นหอกคนอีกคนตาบอดไปคำที่ท้องช้างก็คิดว่าเป็นฝาผนังเป็นความจริงของแต่ละคนเราก็เหมือนกันพวกเราก็คิดว่าเราเป็นหญิงเราเป็นชายเราเป็นคนไทยเราคนจีนเราคนญี่ปุ่นคนต่างชาติ เราเป็นคนรวยเราเป็นคนจนเราเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่เราจบปริญญาเราไม่จบปริญญาอันนี้ก็เป็นความจริงแต่เป็นความจริงของคนตาบอดคนตาบอดจะเห็นสิ่งที่ไม่ ไม่ตรงกับความเป็นจริงของตนเองจริงบางส่วนแต่ไม่จริงในส่วนที่สำคัญในส่วนที่สำคัญนี้เราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราคิดว่าตอนนี้ร่างกายเป็นมนุษย์เราก็เรียกว่าเราเป็นมนุษย์แต่ความจริงนี้ ร่างกายนี้เป็นมันไม่ได้เป็นตัวเราเป็นตุ๊กตาที่เราได้มาจากพ่อแม่ของเราพ่อแม่ทำร่างกายนี้ขึ้นมาให้เราได้เอามาใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆ แต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นร่างกายเราคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดหรือเวลาไม่มีร่างกายเราก็เป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มีสุขหรือมีทุกข์ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้เคยทำเอาไว้ ถ้ามีบาปมากกว่าบุญบุญบาปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ถูกคุมห่อด้วยความทุกข์ชนิดต่างๆทุกข์เพราะความรักทุกข์เพราะความโลภนะทุกข์เพราะความชังความกลัวทุกข์เพราะความหลงถ้าบุญที่ได้ทำไว้มีมากกว่าบาป ดวงวิญญาณก็เป็นดวงวิญญาณที่ถูกคุ้มห่อด้วยความสุขก็จะเป็นเทวดาชั้นต่างๆเป็นเทพชั้นต่างๆหรือเป็นพรหมชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับชนิดของบุญที่ได้ทำเอาไว้นี่แหละคือตัวจริงของพวกเราพวกเราตอนนี้เป็นจิตใจ ที่มาเกาะติดกับร่างกายต่อไปร่างกายก็จะต้องตายไปพอร่างกายตายไปเราก็จะเป็นดวงวิญญาณต่อเป็นดวงเดียวกับจิตใจเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในดวงในดวงใจหรือในดวงวิญญาณเปลี่ยนแปลงก็ตรงที่ปริมาณของบุญหรือที่ละบาปที่เรามาทํากันไว้ ในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่ในขณะนี้เท่านั้นเองที่มีความแตกต่างกันตอนที่เรามาเกิดนี้เรามีบุญกับบาปปริมาณเท่าๆกันจึงทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าบาปยังมีกำลั ง, ลงมากกว่า บ, บุญอยู่เรายังมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เรายังเป็นดวงวิญญาณที่ถูกคุ้มหอ่อ ด้วยความทุกข์ชนิดต่างๆหรือถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าในดวงวิญญาณของเราในดวงจิตดวงใจของเรามีปริมาณบาปมากกว่าบุญจนกว่าปริมาณบาปกับบุญนี้มีปริมาณเท่ากันเราถึงจะได้มา รับร่างกายอันใหม่ถ้าเรายังมีบุญมากกว่าบาปอยู่ด ว, วงวิญญาณของเราก็ยังจะเป็นเทวดาอยู่หรือเป็นพรหมอยู่ขึ้นอยู่กับปริมาณของบุญว่าเรามีบุญชนิดไหนบุญที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลก็จะทำให้เราอยู่ในระดับของเทวดาถ้าเราได้บุญจากการ ถือศีลแปดนั่งสมาธิเราก็จะได้บุญเป็นเราก็จะได้เป็นดวงวิญญาณในระดับของพรมแต่ดวงวิญญาณเหล่านี้ก็จะบุญที่เราทำไว้ก็จะค่อยๆหมดไปจนลดลงมาเท่ากับระดับของบาปที่ยังมีอยู่ในใจพอตอนนั้นบาปก็ดึงไปอบายไม่ได้ บุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้ตอนนั้นดวงวิญญาณก็จะไปคอยหาร่างกายที่ไหนมีงานแต่งงานก็มักจะไปอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเพราะเดี๋ยวก็จะมีการถลิยร่างกายอันใหม่พอมีการผสมพันธุ์ของพ่อของแม่เดี๋ยวก็เกิดลูกขึ้นมา พอมีลูกปั๊บนี่ดวงวิญญาณที่ต้องการร่างกายก็จะไปเกาะติดกับร่างกายอันนั้นแล้วพอร่างกายอันนั้นคลอดออกมาดวงวิญญาณก็ไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายอันนั้นทันทีนะร่างกายของพวกเราที่เราได้กันตอนนี้นะนะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายกันผู้รู้ผู้คิดนี่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็น ผู้รู้ผู้คิดแต่ความจริงผู้รู้ผู้คิดนีไม่ได้เป็นร่างกายเพราะความตาบอดความมืดบอดของผู้รู้ผู้คิดที่เราเรียกว่าอาวิชชาไม่รู้จักตัวตนของตนเองว่าเป็นอะไรก็เลยไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็เลย ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาไปหาความสุขต่างๆที่ชอบที่อยากได้คือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพ ะ, ะชอบดูชอบฟังชอบลิ้มรส ด, ดมกลิ่น ชอบสัมผัสกับความรู้สึกที่มามามาสัมผัสกับร่างกายเช่นความเย็นความร้อนความนุ่มความแข็งอันนี้นี่แหละคือความจริงของพวกเราเราเป็นดวงวิญญาณที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่ย้ายไปย้ายมาในไตรภพเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ในการมาพบกันกามาพบนี้ก็มีอยู่สองซีกด้วยกันซีกที่เป็นบุญกับซีกที่เป็นความสุขกับซีกที่เป็นความทุกข์ซีกซีกที่เป็นความสุขเราก็เรียกว่าสุขคติหรือสวรรค์เป็นซีกที่มีความสุขซีกที่มีความทุกข์เราก็เรียกว่าอบายแล้ว มีอยู่ตรงกลางกลางระหว่างสวรรค์กับอบายก็คือที่อยู่ของมนุษย์เนี่ยพวกเราตอนนี้อยู่ตรงกลางระหว่างสวรรค์กับอบายมีสุขเท่ากับความทุกข์เนี่ยก็ยึดเป็นมนุษย์ถ้ามีสุขมากกว่าความทุกข์ก็เป็นสวรรค์ถ้ามีทุกข์มากกว่าความสุขก็เป็นอบาย นี่เรียกว่ากามาพบพบของผู้ที่เสพกามเทวดาก็เสพรูปเสียงกลิ่นรดมนุษย์ก็เสพรูปเสียงกลิ่นรดสัตว์เดรัจฉานก็เสพรูปเสียงกลิ่นรดเปตอสุลกายสัตว์นรกก็เสพรูปเสียงกลิ่นรดแต่เสพด้วยความสุขหรือด้วยความทุกข์เสพด้วยความทุกข์ก็คือพวกที่อยู่ในอบาย มากกว่าเสพความสุขพวกที่อยู่สวรรค์ก็เสพความสุขมากกว่าความทุกข์พวกที่เป็นมนุษย์นี้ก็เสพครึค่งๆหนึ่งเสพทั้งสุขเสพทั้งทุกข์บางทีเสพ ร, รูปเสียง ก, ยงกยงลิ่นรสก็ทุกข์ก็มีบางทีเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ทุกข์ก็สุขก็มีอันนี้คือ สถานภาพของดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจของพวกเราทุกๆคนตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันเรามาเสพความสุขเสพความทุกข์กันได้ประมาณห้าสิบห้าสิบหรือถ้าเรามาเพิ่มบุญเราก็ได้เพิ่มปริมาณการเสพความสุขเพิ่มมากขึ้น ถ้าเรามาทำบาปเราก็เพิ่มปริมาณขอามทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นภายในจิตใจของพวกเราพวกเราจึงมีความสุขความทุกข์ไม่เท่ากันถึงแม้จะเป็นมนุษย์ที่ถ้าไม่ได้ทำบุญทำบาปก็จะมีความสุขความทุกข์เท่าเท่ากันทุกคนแต่พอมาเกิดแล้วก็เริ่มทำบาปกัน หรือเริ่มทำบุญกันก็ทำให้ปริมาณของความสุขความทุกข์ในใจของพวกเราต่างกันต่างกันด้วยการทำบุญหรือการทำบาปถ้าเราต้องการให้มีใจมีความสุขมากเราก็ต้องทำบุญให้มากถ้าเราต้องการให้ใจมีความทุกข์มากก็ต้อง ทำบาปให้มากหรือถ้าไม่ต้องการให้ใจมีความทุกข์ก็ต้องอย่าทำบาปพยายามละการกระทำบาปให้ทำแต่บุญแล้วปริมาณของบุญจะมีมากกว่าปริมาณของบาปจะทำให้ปริมาณของความสุขมีมากกว่าปริมาณของความทุกข์นี่แหละคือ ความจริงของพวกเราแล้วไม่ว่าเราจะหาอะไรได้มากน้อยเพียงไรจากการเป็นมนุษย์ของเราในตอนนี้พอร่างกายเราตายไปสิ่งที่เราหาผ่านทางร่างกายคือทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองต่างๆความสุขต่างๆที่เราได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะเป็น สิ่งที่เราเอาติดไปกับเราไม่ได้สิ่งที่เราจะเอาติดไปกับเราได้ก็มีสองอย่างคือความสุขที่เกิดจากการทําบุญหรือความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปนี่เองจึง ท, ทำให้ดวงวิญญาณของเราไปคนละที่กันบางคนตายแล้วดวงวิญญาณก็ไปสู่สุคติ อย่างที่เรามักจะพูดอวยพรให้คนตายกันว่าขอให้ไปสู่สุคติเถิดไปสู่สวรรค์ไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็แล้วก็บอกว่าขอให้เสด็จสวรรคตนถ้าเป็นพระก็ขอให้นิพพานเอเพราะเชื่อว่าพระนี่มีสักยภาพที่จะ ไต่เต้า่ไขว้ไปถึงระดับพระนิพพานได้แต่คนทั่วไปนี้จะไม่มีศักยภาพพอที่จะคว้าอพระนิพพานมาครองได้พวกคนที่เป็นกษัตริย์นี้ก็เชื่อว่ามีศักยภาพที่จะไปสวรรค์ได้หรือเป็นเพราะว่าสมมุติของการเป็นกษัตริย์นี้เป็นผู้ที่สูง ผู้ที่ต่ำกว่าก็มักจะอวยพรให้ไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์เวลาตายเราก็ไม่เรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินตายเราเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตไปสู่คติสวรรคดก็คือคตินี่ไปสู่สวรรคติสวรรคตไปสู่ สวรรค์โลกสวรรค์อันนี้เป็นผลที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายของพวกเรานี้ตายไปแล้วพวกเราที่ไม่รู้ก็าจะคิดว่าชีวิตเราจบลงที่ความตายเพราะเราเห็นว่าร่างกายของคนอื่นพอตายแล้วก็ไม่มีอะไรตามมาอีกต่อไปกับคนนั้น ปัญหาต่างๆคุณรัดโทษที่เกิดขึ้นกับคนนั้นก็ถูกลบออกไปจากสาระบบทางราชการเขาพอตายแล้วเขาไม่ส่งตำรวจไปจับละถึงแม้จะเป็นอัชญากรฆ่าคนมากี่ร้อยคนก็ตามพอตายแล้วก็ถือว่าจบไม่ไปจับมาลงโทษอีกแล้วหรือจะทำุณงามความดีมาละมากมายกายกอง เขาก็ไม่ไปจับอามารับรางวัลอี่แล้วแต่เขาก็ยังอาจจะสรรเสริญเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เช่นข้าราชการที่ตายในการทำภารกิจมักจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในตอนตายกันเป็นนายสิบก็ขึ้นไปเป็นนายพันเลยแต่คนตายไม่ได้รับตำแหน่งนั้น เป็นเพียงการประกาศบอกให้คนอรู้ว่าคนนี้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วแต่คนตายคนที่ได้รับตำแหน่งไม่รู้ววเราก็ตำแหน่งได้อะไรแล้วพราะตอนนั้นขาดการติดต่อกันเหมือนกับมือถือของเขาหายไปแล้วเราไม่สามารถส่งข่าวไปบอกเขาได้ว่าให้ตอนนี้มึงเป็นในพันแล้วนะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ทางโลกสมมุติโลกของมนุษย์ที่เราอยู่กันคือเรื่องของลาบยศสรรเสริญสุขที่เราหากันผ่านทางร่างกายนี้มันจะจบลงที่ความตายของร่างกายแต่บุญหรือบาปที่เราทำไวน้นี้มันไม่ได้จบตามร่างกายไปมันเป็นภาคสองภาคสามต่อไปมันมีภาคสองภาคสาม เพราะร่างกายนี้ไม่ได้ตายจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของพวกเราคือจิตใจหรือดวงวิญญาณเนี่ยที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันตามอำนาจของบุญหรือบาปที่เราทำกันที่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมที่ พระพุเจ้าสรงแสดงไว้ว่าเรามีบุญเรามีกรรมเป็นของของตนนจะทํากรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่เราจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญหรือของบาปนั้นร่างกายตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง เราเกิดมาชาตินี้เราเปลี่ยนรถยนต์กันหลายคันเพราะว่ารถยนต์อายุมันไม่นานเท่ากับอายุของร่างกายร่างกายแปดสิบเก้าสิบปีรถยนต์นี้บางทีขับไปสิบปีก็เปลี่ยนกันแล้วเพราะมันเริ่มชำรุดเริ่มเสียขับแล้วไม่สะดวกไม่สบายมีกําลังซื้อรถใหม่ ทำไมไปขับรถเก่าทํำไมเอซื้อรถใหม่ที่ขับสบายกว่าปลอดภัยกว่าเอาก็เราก็มีการเปลี่ยนรถยนต์กันอยู่เรื่อยๆร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์นร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่แต่การเปลี่ยนร่างกายอันใหม่กับการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่นี่มันต่างกันตรงที่เวลาเนี่ย เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ง่ายมีเงินขับรถไปเข้าร้านวันนี้เปลี่ยนได้เลยอยากจะเปลี่ยนรถใหม่วันนี้ถ้ามีเงินจ่ายเอารถค่าเอารถเก่ายกให้เขาไปหรือเอาไปทําบุญทําทานหรือเอาไปแลกเปลี่ยนก็สุดแท้แต่แต่เราเปลี่ยนรถยนต์ได้ทันทีแต่การเปลี่ยนร่างกายของเรานี้มันไม่ได้ทันใจเหมือนกับเปลี่ยนรถยนต์เลพอร่างกายตายไปแล้ว อาจจะไปได้ร่างกายอันใหม่นี่ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนเนี่ยในอบายหรือในสวรรค์ตามกําลังของบุญหรือของบาปที่เราได้ทํากันเอาไว้กว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่ก็อาจจะหลายร้อยปีก็ได้หลายพันปีก็ได้หรือไม่น่าคนบางคนอาจจะไม่กี่ปีมีกรณีของเด็กที่มาเกิด เราจำบ้านเก่าได้นลลักชาติได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะตอนเป็นมนุษย์ทำบุญทำบาปไม่มากหรือทำเท่าๆกันในปริมาณที่จะต้องไปรับบาปหรือรับบุญนี่มันไม่มีก็ได้เกิดบัญชีมันศูนย์คือบาปกับบุญเท่ากันก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ ก้าเดอนต่อมาก็อาจจะคลอดออกมาก็ได้และอาจจะคลอดอยู่ใกล้ๆกับบ้านเก่าของตนก็ได้ก็เลยอาจจะจะระลึกชาติได้อย่างหมาก็คนดวงวิญ ญ, ญาณบางคนก็มาเกิดเป็นหมาเลยก็มีนิทานในพระพุทธศาสนาก็มีเล่า ว, ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่ง เป็นคนที่โลภคนที่หวงทรัพย์สมบัติไม่ชอบทำบุญไม่ชอบทำทานไม่ชอบรักษาศีลชอบแต่หาเงินหาทองอย่างเดียวไม่ว่าจะหาโดยวิธีไหนก็หาเอพอตายแล้วพอได้เงินมาก็เอาไปซ่อนเอาไว้ไม่บอกแม้แต่ลูกหลานว่าเงินทองของตนเก็บไว้ที่ไหนเอาไปฝังดินหมด แล้วพอเวลาที่ร่างกายของเธอตายไปดวงวิญญาณของเธอนี่มีความผูกพันมากกับทรัพย์สมบัติอยากจะอยู่ใกล้ทรัพย์สมบัติก็เลยไปอยู่ในท้องไปเอาลูกของหมาที่อยู่ในบ้านที่ตั้งท้องอยู่พอดีก็เลยเป็นลูกหมาคลอดออกมา ลูกหมาตัวนี้ก็อยู่ในบ้านนั้นลูกๆ ก, ก็เลี้ยงลูกหมานั้นพ่อแม่มันอยู่มาในบ้านมาตั้งแต่พอมีลูกเขาก็เลี้ยงต่อไปพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาก็เห็นดวงวิญญาณของเจ้าของบ้านนี้ไม่ว่าอยู่ในตอนนี้อยู่เป็นหมาเป็นลูกหมาอยู่ <c oughs> ก็เลยบอกลูกของเจ้าของบ้านลูกของเศรษฐีว่า หมาตอนนี้เป็นพ่อของเธอนะเลี้ยงมันไว้ดีๆเดี๋ยวมันจะพาไปกดสมบัติของพ่อของเธอให้เออแล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็ไปพอลูกหมาตัวนี้มันเริ่มรู้เตียงสารู้อะไรแล้วทีนี้มันก็จะไปหาสมบัติที่มันมันลากมันห่วงอยู่ไปเช็คดูว่ายังอยู่หรือเปล่า มันก็จะไปขุดไปคุยสมบัติดูลูกที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมันกำลังจะไปพาไปหาสมบัติเนี่ยพอไอ้มันขุดมันคุยก็เลยไปขุดไปช่วยมันขุดก็เลยได้เจอสมบัติที่พ่อของลูกเนี่ยฝังเอาไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้พ่อไม่ได้เป็นไม่ได้ร่างกายของมนุษย์นะเพราะอาจจะไม่ได้ทำบุญ ทำบาปแต่อาจจะทำบาปไม่มากยิ่งทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นลูกหมาในบ้านของตนเองเี่ยที่เกิดเป็นลูกหมาในบ้านของตนเพราะความผูกพันกับทรัพย์สมบัติอยากจะอยู่ใกล้กับสมบัติของตนเหมือนกับพระรูปหนึ่งที่รักจีวรของตนพอตายไปก็ไปเกิดเป็นตัวเลน ตัวเลนนี้เป็นตัวมแมลงก็มาเกาะจีวรเนี่ยเป็นมแมลงหรือเป็นนอนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้ศึกษาดูแต่ท่านบอกว่าเป็นตัวเลนมาเกาะจีวรพระพุทธเจ้าเห็นตัวเลนตัวนี้ก็รู้ว่าเป็นดวงวิญญาณของพระที่ตายไปพระรูปนี้ขณะที่มีชีวิตอยู่รักจีวรของตัวเองมากห่วงจีวรห่วงจีวร พตายไปก็เลยมาเกิดเป็นตัวเลนมาเกาดจีวรของตนธรรมเนียมของพระเวลาพระที่ตายไปแล้วจีวรที่ยังดีอยู่ก็จะมอบให้กับพระที่มีจีวรที่ไม่ดีไปเปลี่ยนใจแต่สำหรับจีวรตัวนี้พระพุทธเจ้าห้ามบอกว่าอย่าพึ่งเอาไป อ, อย่าพึ่งเอาไปแจกจ่ายเพราะว่าเจ้าของเขายังหวงอยู่ เขาย่างติดอยู่เราให้ตัวเลนมันตายไปก่อนพอตายไปแล้วทีนี้ก็ค่อยเอาไปใช้ได้พอตัวเลนตายไปมันมันก็ไม่กลับมาอีกแล้วเพราะมันรู้ว่ากลับมาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของจีวร อ, อีกนี่กรณี้ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกจะดงให้เรารู้ว่าเนี่ยดวงวิญญาณของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพวกเรา แล้วดวงวิญญาณของเรานี้จะกลับมาเกิดใหม่อีกนี่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมที่เราได้กระทากันไว้นี่นที่เราได้ยินได้ฟังเด็กที่เราเลือกชาติได้นี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขาตายบุญกับบาปนี้มันมีปริมาณพอๆกันนะ จึงไม่ได้ไปเป็นเทวดาไม่ได้ไปเกิดนาบายก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเกิดอยู่ที่ใกล้บ้านของตนพอเดินผ่านบ้านเก่าตอนที่โตขึ้นมาก็ยังจำได้ว่านี่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนอันนี้เป็นเรื่องปัจจุบันใคร อ, อ่านนหนังสือมีคนเขาเขียนรายงานไว้อยู่ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ประกอบการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณของพวกเรา<ม>แล้วมันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ขัดกับหลักำำรธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าจนได้เป็นพระอริยสงสาวบก จงเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นจิตวิญญาณก็ไม่มีใครมาค้านมามาว่าว่าพระพุทธเจ้านี้พูดและเทพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงทุกคนก็มายืนยันมาพูดแบบเดียวกันว่าเนี่ยพวกเราเป็นดวงวิญญาณที่ล่องลอยที่ล่องอยู่รือท่องเที่ยวอยู่ในไตภพนี่เองพวกเราเป็นนักเดินทางกันตอนนี้เราเดินทางระหว่างสามภพนี่ การมาพบบ้างรูประพบบ้างารูประพบบ้างขึ้นขึ้นลงล ง, ลงไปไปมามาเพราะการวิธีดำเนินชีวิตของพวกเราการหาความสุขของพวกเรานี่แหละเป็นเหตุที่พาให้เรามาท่องเที่ยวกันในต่าภพโดยไม่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้าก็เคยท่องเที่ยวอยู่ในต่าภพมานานแสนนา น, านจนถึงกับ เกิดความเบื่อขึ้นมาหรือเกิดความกลัวในการเกิดแก่เจ็บตายจึงอยากจะพ้นจากสภาพของการเป็นนักท่องเที่ยวในตายพบในการเวียนว่ายตายเกิดในการเกิดแก่เจ็บตายจึงได้ทรงศึกษาหาวิธีว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย นันต้องมาเวียน่หวตายเกิดอีกต่อไปก็เลยสละราชสมบัติแล้วก็ไปบวชเพราะเชื่อว่าวิธีบวชนี้เป็นวิธีที่จะสามารถศึกษาเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายได้ศึกษาเรื่องวิธีหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ <c oughs> ในที่สุดก็ทรงค้นพบคำตอบในพระอริยสัจสี่นี่เอง อริยสัจสี่แสดงเหตุที่พาให้มันเกิดแก่เจ็บตายกันและแสดงเหตุที่จะตัดพบตัดการการเวียนว่ายตายเกิดได้เนี่ยแหละคือพระพุทธเจ้าคนที่ได้ค้นพบพระอริยสัจสี่กุญแจที่จะเปิดประตูให้เราออกจากตายพบได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ คือพระอริยสัจ ส, สี่ไม่มีศาสดาใดในโลกนี้ของศาสนาในที่รู้พระอริยสัจ ส, สี่มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่รู้จากพระอริยสัจ ส, สี่ไม่เชื่อลองไปศึกษาคำสอนของศาสนาต่างๆดูในโลกเหล่านี้มีศาสนาหลักอยู่ประมาณหกศาสนาด้วยกันคือ ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาของจือของจีนศาสนาอะไรของยิวแล้วก็ศาสนาของเตา๋าเต๋าก็ของจีนไปศึกษาศาสนาไหนไม่มีศาสนาไหนสอนอริยสัจ ส, สิก็แสดงว่า พวกนี้ยังไม่รู้จักทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าไปนับถือศาสนาเหล่านั้นก็ยังจะถูกสอนให้ติดอยู่ในตายพบอยู่ทุกศาสนานี้สอนเหมือนกันระดับในโลกียธรรมนี้คือระดับการเวียนว่ายตายเกิดนี้สอนให้ไปเกิดในสุกติกันทุกศาสนาสอนให้ทาบุญสอนให้รักษาศีลกัน ล้วสอนให้นั่งสมาธิกันนะแต่ไม่มีศาสนาไหนสอนอริยสัจสี่ที่เป็นระดับปัญญาที่จะพาให้ดวงวิญญาณนี้ออกจากตายภออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นะมีศาสนาเดียวเท่านั้นคือศาสนาพุทธเนี่ยถ้าจะว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่เลิศที่สุดก็ก็ไม่ผิดเนี่ย ถ้าเป็นยานอวากาศก็เป็นยานชนิดเดียวที่จะพาให้มนุษย์ออกจากโลกนี้ไปได้เนี่ยยานอย่างอื่นนี้บินแค่รอบโลกได้เครื่องบินชนิดต่างๆ่าเห็นไหมเครื่องบินโบอิงเครื่องบินแอร์บัสนี่บินขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องลงมาไม่สามารถบินไปแล้วไม่กลับมานอกจากพวกยานอวากาศที่เขาสร้างส่ง ญาณขึ้นไปสำรวจในอวากาศเท่านั้นที่ไปแล้วไม่ต้องกลับศาสนาพุทธก็เป็นเหมือนศาสนาที่จะส่งดวงวิญญาณของพวกเรานี่ให้ออกจากการดึงดูดของแรงดึงดูดของไตรภพของรูปภพอรูปภพของกามภพเนี่ยมีศาสนานี้เท่านั้นศาสนาพุทธทนั้นที่เป็นญานอวากาศน เราจึงมีคําว่ายานเป็นนิกายของศาสนาพุทธใช่ไหมมีมหายานมีหินนายานทําไมจึงมีสองอย่างเดิมทีมียานเดียวอคือสมัยที่พระพุทธเจ้าสอนนิพพานทุกรูป ก, ก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประกาศแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสียชีวิตไปแล้ว พระที่อยู่ก็เริ่มมีความคิดที่แตกแยกกันในเรื่องของการรักษาศีลพระบางรูปก็คิดว่าไม่ต้องบินทบาทก็ได้เพราะพวกนี้ไปเผยแผ่ทาในประเทศที่หนาวที่ไม่มีธรรมเนียมใส่บาทเช่นไปที่ทิเบตไปที่เมืองจีนญี่ปุ่นเกาหลีพวกนี้เขาเลยเปลี่ยนชื่อเขาเป็นมาหายาณ เพราะเขาเปลี่ยนความเชื่อจากการที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ในภพนี้ชาตินี้มาเป็นมาเป็นการมาสร้างบารมีแทนยังไม่ต้องการที่จะพ้นทุกข์ในชาตินี้อยากจะมาช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ก่อน ด้วยการมาทคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละทำทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่ น, รร น, นตรงนี้เขาเลยถือว่าเขาเป็นมาหายาณเป็นเป็นญาณที่ใหญ่เพราะว่าจะพาให้คนหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นจำนวนมากกว่าพวกที่ทำทำประโยชน์ของตนก่อนคือบรรลุธรรม ัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้ตนเองได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก่อนพวกนี้เขาเรียกเป็นหินน า, านคือญาณญาณขนาดเล็กส่วนมหายานนี้เขาเรียกว่าญาณขนาดใหญ่สามารถถ้าเปเรียบเทียบ ก, ก็เป็นเหมือนรถบัสกับรถมอเตอร์ไซค์พวกรถบัสนี้บรรทุกคนออกจากตายพบได้เยอะกว่าพวกที่ขี่มอเตอร์ไซค์ พวกขี่มอเตรไซค์นี้บรรทุกใครไม่ได้ไปคนเดียวเขาเลยเรียกว่าหินนยาน mm hmm. แต่ความจริงอันนี้นเป็นความเข้าใจผิด mm hmm. เพราะว่าในเมื่อเขายังไม่สามารถสร้างยานพาให้เขาออกจากตายพบได้แล้วเขาจะบรรทุกคนให้ออกจากตายพบได้ครับต่อให้สร้างยานขนาดไหนก็ตามแต่ยานที่เขาสร้างยานอาวากาศที่เขาสร้างยังไม่สามารถ ออกจากแการงดึงดูดของโลกนี้ได้เช่นไปสร้างแอร์บัส380เนี่ยมสร้างบรรทุกคนได้ต้อง500คนต่อลำเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถออกจากแรงดึงดูดของโลกได้แต่พวกที่สร้างจรวดเนี่ยสร้างจรวดส่งนักบินนักอ ว, า ก, อวากาศออกจากโลกก็ไปได้ที่2 3คนเนี่ยเขาก็เลยเรียกพวกนี้ว่าเป็นเห็นนยาน ที่บรรทุกคนได้น้อยก็เรียกว่าเหินนัยานพวกที่บรรทุกได้มากก็เรียกว่ามหายานแต่มหายานนี้ทุกได้จริงอยู่เยอะแต่ทุกให้เวียนไหวาตายเกิดในตายภพนี่ถ้าไปนับถือมหายานก็ยังต้องเวียนไหวาตายเกิดในในตายภพอยู่เพราะผู้ที่สอนของมหายานนี้ยังไม่ได้หลุดพ้นเนเขามาทําทานบา ร, รมีแทน เขามาสร้างฐานบารมีซึ่งเป็นทำระดับที่หนึ่งเท่านั้นระดับปฐมเขายังไม่ได้ไปศีลสมาธิปัญญาเขาก็เลยเขาจะในเมื่อเขายังไม่ได้ไปถึงขั้นปัญญาเขาเขาเองแล้วเขาจะพาคนอื่นให้ไปขั้นปัญญาได้อย่างไรเขาก็มาสอนให้ทำฐานกันมาช่วยทำฐานเห็นไหมเป็นเจ้าแม่คนอิมกันเนี่ยสอนให้ช่วยกันทำบุญทาทาน ก็ลายกายเป็นพระโพธิสัตว์กันไปเท่านี้พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่สแสวงหาทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยตนเองไม่อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเขาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้ไปพร้อมๆกับเขาทีเดียวก็เลยสอนให้มาร่วมปฏิบัติทำพร้อมๆกันในระดับเดียวกันคือระดับ ปฐมหรืออนุบาลก่อนมาช่วยกันทําบุญทําทานก่อนอย่าเพิ่งไปบวชอย่าเพิ่งไปตัดช่องน้อยหนีไปอยู่คนเดียวเออพวกที่ไปบวชไปปฏิบัติไปบรรลุเป็นพระอารหรันนี้ก็ถือว่าพวกเห็นแก่ตัวอเอาตัวรอดเพียงคนเดียวก่อนแต่เขาลืมมองว่าพระอารหันหลังจากที่ท่านรอดแล้วท่านไม่ได้อยู่เฉยเฉยนี่ ท่านก็กลับมาช่วยคนที่ติดอยู่แน่ให้หลุดรอดออกไปเป็นจำนวนมากมายดิวพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านบำเพ็ญท่านท่านชวนใครมาบำเพ็ญด้วยหรือเปล่าท่านไม่ยุ่งกับใครเลยท่านเอาแต่ตัวท่านตัวเดียวท่านปฏิบัติธรรมอย่างสุดเต็มที่ทุ่มเททั้งชีวิตจิตใ จ, จให้กับการศึกษาเพื่อหาทาง เอาจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ยุ่งกับใครไม่สอนใครไม่เกี่ยวข้องกับใครตอนนั้นจะว่าเห็นแก่ตัวก็เห็นก่ตัวจริงๆแต่เป็นการเห็นแกัตัวที่ไม่เสียหายไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปไปเอารัดเอาเปรียบใครเป็นการ เป็นการรักษาจิตใจของตนที่ถูกความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายเหยียบย่ำทําลายอยู่ต้องการที่จะปลดเปื้องความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ให้มันพ้นออกไปจิตใจเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นเหมือนเวลาที่เราไม่สบายกันเราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างนี้เราเห็นกัดตัวป่ะไม่ทำงานใช่ไหมเวลาไม่สบายลา ง, งานเนี่ย จะจะให้ลาหรือไม่ลาก็ไม่ไปทำอยู่ดีใช่ไหเพราะว่ามันไม่มีแรงมันไปทำไม่ได้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปรักษาตัวก่อนใครจะไปว่าเห็นแก่ตัวก็ไม่สนใจนะถ้าไม่เห็นแก่ตัวก็ตายเท่านั้นถ้าไม่เห็นแก่ตัวทนไปทำงานได้เพียง ก, กี่วัน ไม่ไปรักษาตัวได้ยังฝืนไปทำงานอยู่เดี๋ยวก็ตายเท่านั้นอย่างนี้เป็นฮีโร่แบบนี้เลยหรือจะเป็นฮีโร่แบบไปรักษาตัวให้หายแล้วมาทำให้บริษัทลลร่ำรวยเจริญก้าวหน้าเป็นฮีโร่แบบไหนจะดีกว่าเป็นฮีโร่แบบยอมตายถวายให้กับบริษัทแต่ไม่สามารถช่วยให้บริษัทจเจริญก้าวหน้าลูกเลืได้แต่ทุ่มเทชีวิตความตาย ให้กับบริษัทนีหรือขอเห็นแก่ตัวไปรักษาตัวให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บก่อนแล้วค่อยกลับมาช่วยบริษัททํากิจการให้เจริญรุง่งเรืองจะเอาเป็นฮีโร่แบบไหนดีถามความคิดของมหายางเขาคิดว่าต้องเป็นฮีโร่แบบยอมตายแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรจากความยอมตายของตนเองยอมติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดแต่ คิดว่าได้ช่วยเหลือคนให้ได้ได้เริ่มปฏิบัติสู่การหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งยังไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติที่กี่ยับพันพบพันชาติหรือแสนล้านชาติกว่าที่จะได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เนี่จึงที่มาที่คําคําว่ามาหายานกับหินนายานี่ยานนี้ก็หมายถึงอ หมายถึงเครื่องบินนุออยานต่างๆรถรถก็เป็นยานยนต์อย่างหนึ่งยานอวกาศยานรถยนต์อะไรพวกนี้ก็เป็นพาหนะที่บรรทุกผู้โดยสารพวกมหายานนี้เขาบอกว่าเขาทําประโยชน์ให้กับคนมากกว่าพวกหินในยานเพราะพวกหินในยานนี้จะไปเปรีกวิเวกอยู่คนเดียวจะไม่ยุ่งกับใครอตอนปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงจริง การที่เราไปปฏิบัติแปดปีเก้าปีแรกเราก็ไม่ยุ่งกับใครไปอยู่วัดตั้งใจศึกษาปฏิบัติอย่างเดียวพอหลังจากนั้นแล้วทีนี้ก็มายุ่งกับคนอย่างที่ยุ่งกันอยู่ตอนนี้แต่ถ้ายังไม่มีความรู้มายุ่งก็ไม่มีใครก็มายุ่งกับเรามาพูดฟังอะไรไม่รู้เรื่องพูดแบบคนตาบอดพูดเดี๋ยวก็ฟังคนเดียวเขาก็ไม่กลับมาฟังอีก แต่ถ้าพูดแบบคนตาดีพูดให้คนตาบอดฟังเนะี่ยคนตาบอดจะชอบฟังกันเนะี่ยที่มาฟังนี้เพราะว่าหูตาจะได้สว่างขึ้นใช่ไหมถ้าหูตาไม่สว่างขึ้นคิดว่าคงไม่มาฟังกันหรอกแล้วคนที่พูดถ้าหูตาไม่สว่างจะพูดให้คนที่หูตามืดสว่างขึ้นมาได้อย่างไรสมมติว่าถ้าไม่ได้ไปศึกษาไม่ปฏิบัติทำให้หูตาของตนสว่างขึ้นมาก่อน เราจะมาพูดสอนคนอื่นให้หูตาของเขาสว่างขึ้นได้อย่างไรมันก็มืดเหมือนกันเราก็ลองไปฟังดูเลยลองไปฟังพระที่ท่านไม่ปฏิบัติ ด, ดูพระที่ท่านเรียนจบนักธรรมตีทีโทเอกจบปริญญาเก้าเนี่ยลองไปฟังเทศของท่านดูดูซิว่าจะทำให้หูตาเราสว่างขึ้นหรือหรืออาจจะทำให้มืดขึ้นกว่าเดิมก็ได้ตอมฟังแล้วมันสับสน สิ่งที่ท่านพูดกับสิ่งที่ท่านทำมันไม่เหมือนกันเนี่ยอ้าวทําไมท่านสอนอย่างนี้แล้วทําไมท่านไม่ทําอย่างนี้วะใช่ไหมมันก็ขัดกันแหละคนฟังก็เริ่มสงสัยนะแทนที่จะแก้ความดังเลยสงสัยได้พระพุทธเจ้าสอนให้มักน้อยสันโดษทาไมท่านไม่มักน้อยสันโดษพระพุทธเจ้าสอนให้ละความอยากได้ในลาบยศสารเสวนสุขทําไมท่านยังแสวงหาราบยศสารเสริญสุขอยู่ ทำไมท่านยังหาตำแหน่งอะไรต่างๆอยู่ทำไมยังหาลาบสักการละอยู่อันนี้มันขัดกันแต่ถ้าไปศึกษากับพระที่ท่านปฏิบัติแล้วท่านได้ละลาบละการแสวงหาลาบสักการละละการหาลาบยศสรรเสริญสุขแล้วท่านสอนอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งใดที่เราสอน เราทําสิ่งนั้นมาแล้วทั้งนั้นนั่นแหละมันเป็นตัวที่จะทําให้คนมีความมั่นใจในคําสอนของผู้อื่นได้แต่คําสอนของคนที่มีกิเลตเขาจะพูดอย่างนี้ว่าอให้ทําตามที่เราสอนอย่าทําตามที่เราทำ <c oughs> <c oughs> เข้าใจไหมเพราะสิ่งที่เราสอนกับสิ่งที่เราทํานี้มันไม่เหมือนกันะ เราสอนอย่างหนึ่งคาสอนนี่ถูกต้องแต่เรายังทำไม่ได้พอใจเปล่าพอฟังนี้แล้วคนไปฟังก็เลยเสื่มศรัทธาเอาในเมื่อท่านทำไม่ได้แล้วท่านจะมาสอนให้เราทำได้อย่างไรท่านก็เป็นเหมือนแม่ปูสอนลูกปูเลยท่านก็สอนให้ลูกปูเดินตรงๆนะอย่าเฉยไปเฉมาแต่พอตัวเวลาท่านเดินเองก็เฉยไปเฉมา ไม่เดนเดินตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เลยไม่ทำให้เกิดศรัทธาขึ้นมานี่แหละการไปศึกษากับโพุทธศาสนก็จะเป็นแบบนี้พระพุทธศาสนจะสอนให้ทำแต่ตัวเองก็ยังทำไม่ได้ชวนมาทำกันแต่ตัวเองไม่ทำเพราะฉะนั้นเราจึงมีสองยานมหายานกับเห็นนยาน เห็นญาณอีกคำพูดหนึ่งก็คือเถรวาดเหินยานนี้กับเถรวาดเป็นชื่อเดียวกันเป็นเป็นอันเดียวกัน <laughs> เพียงแต่ว่าทางเถรเถรวาดเราไม่เรียกเราว่าหินเนาเราเรียกเราว่าเป็นเถรวาดเถรวาดแปลว่าอะไรผู้ฟังคําสอนของพระเถระของพระผู้ใหญ่วาดคมาวาดนี้มาจากคําว่าโอวาคําสอนเถระคือพระผู้ใหญ่ ทุกคนที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้จะมีพระผู้ใหญ่คือพระอุปชาเนี่ยคนที่จะบวชได้นี้ต้องมีพระอุปชาพระอุปชานี้คือพระเถระพระที่มีพรรษาถึงจะเป็นผู้บวชพระได้อย่างน้อยตามหลักธรรมต้องมีสิบพรรษาขึ้นไปต้องได้ศึกษาพระธรรมได้ปฏิบัติจนรู้จักพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไร และพูดตามความจริงต้องปฏิบัติด้วยถึงจะถูกต้องแต่สมัยนี้เราเอาแค่พรรษาพอมีสิพรรษาก็สามารถบวชพระได้ส่วนจะปฏิบัติตามที่ตนเองได้เรียนรู้ได้หรือมานี้ยังไม่ไม่ได้เป็นถือเป็นประเด็นแต่ความหลักความเป็นจริงแล้วพระเทหลาที่แท้จริงนี้ต้องเป็นพระ อริยะบุคคลยยังจะถือว่าเป็นพระอาริยแ ะ, ะแทะพระเถระแทพระที่รู้และปฏิบัติตามที่ตนเองรู้และสอนผู้อื่นได้นี่คือเทระวา่าพระที่มาบวชทุกรูปนี้เราต้องศึกษาจากพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่พอบวชครับนี่จะสอนคําสอนข้อแปดข้อแรกก่อนเลยเรียกว่าบุพภกิกข์ บทบุพภกข์ของพะระกิเที่พระพึงกระทาสี่และไม่พึงกระทําสี่กิเลสที่ไม่พึงกระทาสี่คืออะไรหนึ่งการเสพเมถุนคือการร่วมหลับนอนกับรรสีกาสองการฆ่ามนุษย์สามการรักทรัพย์สี่การอุดอุตริคุณธรรมที่ไม่มีในตน เป็นบอกคนนั้นว่าได้ชาตินนั้นชาตินนี้แล้วเราลึกชาติได้แล้วว่าชาติก่อนเป็นอะไรเคยเป็นสามีภรรยากับโยมคนนั้นโยมคนนี้นอันนี้เป็นการอุตริหอกลวงอ่ะ ลอใจย า, ยาตัทธาญาติโยมให้เชื่อให้เขารบชาติก่อนกลเป็นลูกของเศรษฐีคนนี้พอเศรษฐีนี้คิดว่าพระนี้พูดจริงก็เลยมาอุปธรรมอุปถาคิดว่ามาเลี้ยงดูลูกของตนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอวดอุตตริคุณธรรมที่ไม่มีในตนเอง ถ้ามีไม่บาปถ้ามีไม่ผิดถ้าเป็นความจริงจะไม่ผิดแต่ถ้าเป็นการโอ้อวดขึ้นมาแอบอ้างขึ้นมาโดยไม่เป็นความจริงนี่ถือว่าผิดถ้าทำผิดสี่ข้อนี้ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีจึงจะเป็นต้องสอนสอนข้อห้ามสี่ข้อนี้ทันทีเลยพอบวชออกพอบวชเสร็จออกมาจากบวชนี่จะพาไปที่กุฏิก่อนไปสอนกิจแปดข้อนี้ก่อน คือปิดกิจที่ไม่พึงกระทำสี่ข้อนี้และกิจที่พึงกระทำอีกสี่ข้อคืออะไรคือหนึ่งให้บบญทบาทเลี้ยงชีพสองให้ใช้ผ้าบางสกุลเชื่อใช้ผ้าเก่าผ้าที่เขาทิ้งในป่าช้าสมัยก่อนผ้าบางสกุลก็คือผ้าห่อศพ อ่าหอ่อศแเราจึงมักจะมีการถวายผ้าบางสกุลในงานศพเป็นการจำลองเหตุการณ์แต่ความเป็นจริงสมัยก่อนเวลาคนตายเขาไม่เผาไม่ฝังเข า, าผ้าพันศพไว้แล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชา้าพอศพเน่าเปื่อยไปผ้ายังใช้ได้อยู่ บวชสมัยนั้นก็ไปเก็บผ้าหอศพนี้มาซักมาย้ะ ม, มาตัดมาเย็บเป็นผ้าเป็นจีวรนุน่งห่มกันเรียกว่าผ้าบางสกุลคือความหมายก็คือให้หาผ้าที่ไม่ต้องเสียเงินพูดง่ายๆผ้าบางสกุลสมัยปัจจุบับนนี้หมายถึงว่าอย่าไปขอญาติโยมคนนั้นให้ซื้อผ้าซื้อผ้ามาให้ไม่มีให้ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งแล้วมา มามาตัดมาเย็บมาเป็นผ้าพูดง่ายๆคือให้พึ่งตนเองไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านบินทบาทก็ไม่ให้ไปรบกวนชาวบ้านให้ถือบาทเข้าไปในบ้านหมู่บ้านแล้วใครมีศรัทธาใส่ก็ใส่ไม่มีใครไม่มีศรัทธาใส่ก็ไม่ว่าอะไรไม่ให้ไปเคาะประตูแล้วบอกโยมขอข้าวหน่อยอันนี้ไม่ใช่บินทบาทบินทบาทก็คือให้ถือบาทเดินเข้าไปในบ้าน แล้วใครมีศรัทธาจะใส่ก็ใส่ไม่มีศรัทธาก็ไม่ใส่ได้มามากได้น้อยก็ยินดีตามมีตามเกิดไปกิจที่พึงกระทำของพระสี่ข้อนี้คือให้เจริญความมากน้อยสันโดษเนี่ยมักน้อยสันโดษ ด, ด้วยการบินทบาตมากน้อยสันโดษ ด, ด้วยการาใช้ผ้าบางสกุล มากน้อยสันโดษด้วยการอยู่ตามโคนไม้ถ้าสมมุติวัดไม่มีกุฏิอยู่ก็ไม่เป็นไรขอปักกดอยู่ตามโคนไม้แทนไม่ไปรบกวนชาวบ้านให้มาช่วยสร้างกุฏิให้อยู่ให้อยู่ตามมีตามเกิดให้อยู่คนไม้ให้ใช้ยาดองน้ำมูดสมัยก่อนเขารักษาโาครคภัยไข้เจ็บทั่วๆไปด้วยการกินยาดองน้ำมูดน้ำมูดก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อมาดอง น้ำมูดก็คือ น, น้ำปัสสาวะของตนเองฉีเข้าไปแล้วก็เอาสมอใส่เข้าไปทิ้งไว้ไม่กี่วันนั้นก็เป็นยาดองขึ้นมาเวลาปวดท้องปวดหัวปวดศีรษะก็เดิมยาดองนี้ได้หายรักษาได้คือเป้าหมายก็คือไม่ให้ไปรบกวนขอชาวบ้านขอญาตขออะไรจากใครให้อยู่ตามมีตามเกิดมากน้อยสันโดษเพราะศาสนานี้จะได้เจริญรุ่งเรือง ไม่เป็นศาสนาที่ไปเกาะกินชาวบ้านไปรบกวนขอนุ่นขอนี่จากชาวบ้านเขาถ้าเขามีบุญมีศรัทธาอยากจะให้ก็รับได้ถ้าเขาเห็นว่าเรากินยาดองน้ำมูดเ้าเขามียาดีกว่าเขาจะถวายให้ก็รับไว้ได้แต่ไม่ให้ไปขอว่าขอยาแก้ปวดขอยาแก้แก้ไอขอยานู่นยานี่ไม่ให้ขอให้ยินดีตามมีตามเกิด นี่คือคำสอนที่พระเถระจะสอนพระบวชใหม่ในวันในวันแรกของการบวชเลยพอออกจากบวชปั๊บก็ไปที่กุติต่อต <c oughs> อนนั้นญาติโยมไม่เห็นละไม่รู้ละแต่มีการสอนบุพกิจแปดประการด้วยกันของพระพระกิจที่พระพึงรู้พึงปฏิบัติคือกิจที่ไม่พึงกระทำสี่ข้อและ กิจที่พึงคนกระทำสี่ข้อตลอดชีวิตของการเป็นนักบวชคือให้เป็นผู้มีความมากน้อยสันโดษในการหาอาหารด้วยการบินถบาทมีความมากน้อยสันโดษในการหาจีวรเครื่องนุ่งหม่มด้วยการเก็บผ้าที่เขาทิ้งแล้วมาตัดมาเย็บให้ให้มีความมากน้อยสันโดษ ในการที่อยู่อาศัยอยู่ตามมีตามเกิดถ้าเขาจัดกุติไหนให้อยู่ก็อยู่ไปถ้ามีกุติอยู่ก็อยู่ถ้าไม่มีกุติเขาบอกให้ไปปรากฏอยู่โคนไม้ไปก่อนก็อยู่ไปก่อนอยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็กินยาดองน้ำมูดไป อ, อันนี้เป็นคําสอนของพระเถระในเบื้องต้น ต่อมาก็ให้มาศึกษาหลักธรรมต่างๆที่สมัยนี้เขาคัดออกมาจากพระไตรปิฎกแล้วก็มาใส่ไว้ในหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกนี่เองนักธรรมตีก็จะให้เรียนพระพุทธประวัติให้รู้ความเป็นไปความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระาศาสดาแล้วก็ให้เรียนหลักธรรมคำสอนสำคัญสำคั ญ, คญเช่นพระอริยสัจ ส, สี่ไตรลักษณ์มงคลสามสิบแปด ทำที่สำคัญสำคัญต่างๆคำสอนที่พระพุทธยาวทรงสอนทุกพระองค์มีอะไรบ้างคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยแล้วพอเรียนเสร็จเขาก็จะไปสอบเพื่อเพื่อการสอบนี้ความจริงเป็นการกา ร, กรทดสอบความจำเท่านั้นว่าจำได้หรือไม่ แต่ทางปฏิบัติจริงๆยังถือว่าไม่ผ่านจะผ่านได้ต้องเอานำเอาไปปฏิบัติเพื่อทำให้จิตหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ทางคณะปริยัตคือคณะศึกษาเขาเอาแค่ความจำไปก่อนพอเรียนจบเนี่ยเช่นในพรรษานี้ทุกวันนี้จะสอนนักทมตีให้กับภาพบวชใหม่ แล้วพอใกล้จะออกพรรษานี่ช่วงนี้ก็จะให้ไปสอบกันสอบนักธรรมตีพอสอบผ่านก็ถือว่าจบนักธรรมตีอย่างน้อยมีความรู้เบื้องต้นรู้หลักธรรมคำสอนรู้พุทธประวัติรู้วินัยของพระคือสีนสอง้อยี่สิบเจ็ดข้อ ว, ว่ามีอะไรบ้างแล้วรู้จักเขียนแต่งกระทูคือรู้จัก จะได้เอามาเขียนเป็นธรรมะเป็นเทศนาได้ต่อไปให้หัดเขียนแต่งกระดูกตังหัวข้อความขึ้นมาว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนี้เป็นอย่างไรให้สาธยายไปเขียนไปแต่งข้อความไปเพื่อต่อไปจะได้เอามาเทศสอนญาติโยมได้นี่คือการศึกษาทางทางปริยัติธรรมปีแรกนี้ถ้าบวชได้เรียนนักธรรมตรี พราะถ้าอยู่ต่อพรรษาที่สองก็ให้เรียนนักธรรมโทที่จะสอนละเอียดขึ้นไปเกี่ยวกับพระวินัยต่างๆที่สามก็เช่นเดียวกันสอนเพิ่มมากขึ้นพอจบชั้นเอกก็ถือว่าครบหลักสูตรของปริยัติธรรมถ้าอยากจะเรียนต่อก็ให้ไปเรียนบาลีให้ไปเรียนภาษาบาลีเพื่อที่จะได้อนุรักษ์คําสอนของพระพุทธเจ้าได้ เพราะคสอนของพระพุทธเจ้าดั้งเดิมนี้ใช้ภาษาบาลีแต่ยุคปัจจุบันนี้เราเอามาแปลเป็นภาษาไทยซึ่งภาษาเวลาแปลนี้อาจจะไม่ตรงกันบางคําพูดก็ได้ถ้าอยากจะคงความดั้งเดิมของภาษาของคําสอนไว้ก็ต้องไปเรียนบาลีกันจะได้สามารถที่จะถ่ายทอดคําสอนที่เป็นภาษาบาลีไปต่อให้กับยุค ต่อไปได้ให้กับรุ่นต่อไปได้เนี่ยนี่คือเรื่องของเทรวาวเนี่ยนี่คือการศึกษาของพระเทราดกันแล้วพอศึกษาเสร็จท่านก็ให้ไปปฏิบัติต่อยังไม่จบความจริง พระที่ปฏิบัติกันนี้ส่วนใหญ่ท่านถ้าเป็นพระปฏิบัตินี้ท่านเอาแค่นักทำรรตีหรือบางแห่งเขามีเรียนสอนนักทำตีแต่ไม่มีการสอบไม่มีการให้ประกาศประชัะนียบัตรสํานักปฏิบัตินี้จะไม่มีการสอบกันสอบด้วยการปฏิบัติให้ให้ปฏิบัติเลยให้รู้ว่ารักษาศีล227 20ข้อได้หรือไม่ให้ทำํำอุบุภเกจที่สอนได้ไหม ให้มีความมากน้อยสันดอดสันโดดในการบินทบาศได้หรือไม่จะทดสอบด้วยการปฏิบัติเลยไม่มาทดสอบความจํากันบินทบาศหรือเปล่าหรือขี้เกียจบินทบาตศคอยแต่รอกิจนิมนต์หรือคอยสั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาหาอาหารมาถวายที่กุฏิถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าสอบตกในสายตาของของภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี้ นอกจากบุปภิกต์นี้ยังมีธูโดงคขวัตเพิ่มขึ้นมาอีกนให้บินธบาแล้วยังให้ฉันมือเดียวอีกให้ฉันในบาเด็กอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพิ่มเติมของการปฏิบัตินี่แหละคือเรื่องของเทรวาทเบื้องต้นนี้ต้องการที่จะสอนผู้มาบวชนี้ให้บรรลุมรรคผลนิพพานก่อนพอมบอรบบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอาริยบุคคลแล้ว ทีนี้ก็สามารถไปสอนคนอื่นได้แล้วเพราะเป็นคนตาดีแล้วไม่ใช่เป็นคนตาบอดคำช้างแล้วทนี้จะบอกว่าช้างนี้มันมีหลายส่วนมันไม่มีเพียงแต่หางอย่างเดียวมันไม่มีเพียงแต่งวงอย่างเดียวธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่มีเพียงแต่ทำทานอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวหรือภาวนาอย่างเดียวมีหลายอย่างที่ต้องทำให้ครบบริบูรณ์ ถึงจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้พอบรรลุแล้วทีนี้ก็มาทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปได้พระพุทธเจ้าเสร็จภารกิจหกปีอีกสี่สิบห้าปีมาทําภารกิจให้กับผู้อื่นครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบันก็เช่นเดียวกันพอท่านบรรลุณทีนี้ท่านก็มาสั่งสอนศรัทธาญาติโยมไปจนถึงวันตายกัน อันนี้ในสายตาของมหายานเขาเรียกว่าเป็นหินยานเป็นญาณขนาดเล็กแต่ความจริงเป็นญาณขนาดใหญ่เพียงแต่ว่าต้องเอาตัวให้รอดก่อนขั้นแรกต้องบรรทุกบรรทุกได้คนเดียวก่อนพอบรรทุกได้คนเดียวแล้วทีนี้ก็สามารถที่จะไปบรรทุกคนอีกได้เยอะยะต่อไป ก็คือเรื่องของที่พวกเราไม่รู้กันพวกเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครกันเรากำลังทำอะไรกันอยู่กันเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเรามาหาความสุขอะไรกันต่างๆในโลกนี้เรารู้แค่นี้เองแต่ความจริงเรากำลังมาเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะวิธีการหาความสุขของเรานี้เป็นวิธีสร้างภพสร้างชาติใหม่ให้กับเรานั่นเองแล้ว บุญหรือบาปที่เราทำก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเราจะไปสร้างพบที่ดีหรือพบที่ไม่ดี yeah. แต่พวกเราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับผู้รู้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ yeah. วันนี้เราก็ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาได้ยินได้เรื่องราวที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้และเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราก็มีหูตาสว่างขึ้นแล้วก็จะเอาไปทําให้เกิดประโยชน์กับเราได้ต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะราโสยถามณิโชติอาราโสยถาสัพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโขวินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภภะ อภิวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโอสุขาาังภาลางเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษให้ผู้ อ, อ่านอ่านให้ฟังก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามา175ย t u b บ319มิจิยูออนไลน์18รับฟังข้างบนนี้39คนรวมทั้งหมด551ครับเฟ e บุ๊ k มีปัญหาสิ ไม่มีครับรไม่มีเลยหายไปได้ไงครับพันยากา็ถ้ามีคำถามก็บอกนะจะส่งไมค์รโฟนไปให้ถ้าไม่มีก็เอาคำถามทางบ้านคำถามจากคุณดาถ้าเราช่วยเหลือพ่อแม่เต็มที่แล้ว ทางเรื่องเงินทองจนครอบครัวตัวเองเริ่มขัดสนแต่ท่านก็ยังมองลูกแบบอคติไม่มีความดีคงเป็นกรรมของเราแต่เราช่วยท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านยังคิดไม่ดีกับเราเราจะเป็นบาปไหมครับอ๋อไม่บาปหรอเราทำความดีจะบาปได้ยังไงแต่ความโลภของคนเนี่ยตอให้ทามากเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกไม่เพียงพอแล้วเราทาเท่าที่เราทาได้ แล้ก็ไม่ต้องไปกังวลกับความรู้สึกกับความคิดของผู้อื่นเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะว่าเราว่าช่วยน้อยก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แต่ขอขอให้เรารู้ว่าเราช่วยเต็มที่หรือไม่เท่านั้นก็พ อ, อคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราอยากจะรวยจะทำบุญอะไรได้บ้างคะ ถึงจะทําให้รวยเป็นเศรษฐีได้ถ้ารวยชาตินี้ก็คงจะไม่ได้การทําบุญนี้ให้รวยชาติหน้าได้อยู่แต่ชาตินี้จะต้องจนก่อนเราจะต้องเอาเงินมาทําบุญ <laughing> เมื่อเอาเงินมาทําบุญมันจะรวยได้อย่างไรแต่ชาติหน้าตามหลักของกฎแห่งกรรมนี้บุญที่เราทํานี่ <_ c ous i> มันจะเป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารไม่สูญเปล่า พอชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะได้เงินที่เราฝากไว้กั บ, กบดอกเบีย้ยที่เราฝากด้วยยกตัวอย่างพระเวชจันทรดเนี่ยทำบุญมากในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ยากจนในที่พ่ต้องทำหมดมีอะไรก็ยกให้เขาหมดมันก็เลยไม่มีเงินทองเหลือก็ยากจนแต่ตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์คะ พอพลงมาจากสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทีนี้รวยล้วทีนี้ได้ปราสาทสามฤดูได้ทรัพย์สมบัติของเจ้าชายมาครองคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเราจะสามารถทําอย่างไรเพื่อแก้ไขชะตาชีวิตของเราได้ครับก็ทําบุญทําความดีให้มากขึ้นลดความบาปให้น้อยลงหรืออย่าทำเลย แล้วต่อไปบริมาณบุญของเราก็จะมากกว่าบางแล้วบุญก็จะเริ่มส่งผลให้กับชีวิตของเราให้ดีขึ้นไปตามลำดับ <c oughs> คำถามจากคุณเปรมมีลูกชายวัยรุ่นอายุ13ปีติดเล่นเกมโทรศัพท์มากเจ้าค่ะจะมีวิธีสั่งสอนลูกอย่างไรให้ลูกไม่เล่นเกมมากเกินไปเพราะตักเตือนหลายครั้งแล้วก็ <c oughs> วต้องยึดโทรศัพท์ซิหรืออ ย, ยไปจ่ายค่าโทร ก็โทรไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันมีกฎมีกติกามีการทำความเข้าใจถ้าละเมิดคาสัญญาก็ตัดไปเลยไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ถ้าเขาจะดิ้นไปหาค่าโทรศัพท์ของเขาเองก็ช่วยไม่ได้ก็เ <c oughs> ถอว่าเป็นกรรมของเขาสอนให้เขาทำดีเขาไม่ชอบทำดี ก็ช่วยไม่ได้ต่อไปเขาก็ต้องรับผลของการกระทำไม่ดีของเขาเองคำถามจากคุณนิพพานังผมรู้สึกไม่รักตัวเองและมีความกลัวอนาคตผมควรจะทำอย่างไรให้รักตัวเองให้มากขึ้นครับคนเรารักตัวเองทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่รักตัวเองกาไม่รักตัวเองก็ไม่หายใจไม่กินข้าวไม่ดื่มน้ำให้เราทุกคนรักตัวเราเอง ไม่ต้องกลัวว่าเราไม่รักตัวเราเองกลัวว่าเราเราไปเราไม่รักคนอื่นมากกว่าเรา ไ, ไม่ต้องกลัวว่าเราไม่รักตัวเองเรารักตัวเองอยู่เราจึงมีชีวิตอยู่ได้ให้เรามาศึกษาชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานีา่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าถ้ามาศึกษาเราจะได้รู้ว่า การมาเป็นมนุษย์นี่มีคุณค่ามากมากกว่าการได้มาเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นมนุษย์นี่สามารถศึกษาหาความรู้ได้สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษานี้มาสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตของตนได้ให้คิดอย่างนี้เราจะเห็นว่าชีวิตของเรานี่มีค่าและเราจะรักตัวเรามากขึ้น ตอนนี้เราก็รักอยู่แต่อาจจะยังรักไม่มากเพราะไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของเราว่ามีคุณค่าอย่างไรคำถามจากข้างบนนี้นะครับบุญกับบาปหักล้างกันไปเลยหรือไปชดใช้กรรมชั่วก่อนแล้วค่อยรับกรรมดีครับ ต, ต้องต้องใช้ทั้งสองอย่างผัดกันแล้วแต่ว่าตัวไหนมีกำลังมากกว่าก็ไปไปรับก่อน ท่านเปรียบเทียบเหมือนวัวปากคอกเนี่ยเวลาวัวที่มันถูกกักขังอยู่ในคอกเนี่ยพอถึงเวลาจะออกคอกนี่ไอ้วัวที่มีกําลังมากกว่ามันจะไปแย่งรออยู่ที่ปากคอกก่อนไอ้วัวที่มีกําลังน้อยก็จะอยู่ข้างหลังพอเปิดปับ๊บไอ้ตัวที่มีกําลังมากมันก็จะพุ่งออกไปก่อนบุญกับบาปก็แบบเดียวกันถ้าบาปตัวไหนมันมีกําลังมากกว่าบุญมันก็จะออก มันก็จ ะ, สะแสดงผลก่อนใอตัวไหนถ้าบุญตัวไหนมีกำลังมากกว่าบาปมันก็จ ะ, สะแสดงผลก่อนค่ะถ้าในกรณีที่ได้เจอใครบางคนที่เห็นแล้วรู้สึกมันจืด ท, ที่ใจแต่ว่าไม่ได้มีความรักหรือความพิศวาสไม่ว่าจะเป็นทางผู้หญิงหรือผู้ชายบางครั้งอย่างนี้เขาเรียกว่าวิบากกรรมกำลังทำงานหรือเป็นสัญญาอะไรบางอย่างไหมคะเพราะสุดท้ายหรือเป็นเจ้ากรรมในเวรเจ้าคะ มันก็เป็นบุคคลที่เราอาจจะเคยได้มีร ป, ประสบการณ์มาในอดีตคนเรานี่เวลาเจอกันมันจะมีความรู้สึกสามอย่างบางคนเห็นแล้วก็ชอบอบางคนเห็นแล้วก็เกลียดบางคนเห็นแล้วก็เฉยเฉยแสดงว่าในอดีตเรามีความรู้สึกกับบุคคลเหล่านี้ต่างกันในอดีตเร า, เราชอบคนนี้พอปัจจุบันเจอเราก็จะชอบอ ในอดีตรเราเคยเกลียดคนนี้พอเจอคนนี้เราก็จะเกลียดในอดีตรเรารู้สึกเฉยๆกับคนนี้ในปัจจุบันเราเจอเขาเราก็จะรู้สึกเฉยๆฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้ไม่เป็ น, ปนพิษเป็นภัยอะไรเป็นเพียงแต่บอกสัญญาณให้เรารู้ว่าความรู้สึกของเราต่อ บ, บุคคลเหล่านี้เป็นอย่างไรปัญหาอยู่ที่ว่าความสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรอ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของทางศาสนาก็คืออย่าไปหลงอย่าไปยึดไปติดกับความรู้สึกเหล่านั้นให้เราใช้เหตุใช้ผลกับการปฏิบัติกับบุคคลต่างๆคือใช้ความเมตตากับทุกคนไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบหรือเราจะรู้สึกเฉยๆอันนี้จะเป็น การปฏิบัติที่ดีเพราะจะส่งผลดีให้กับเราและกับผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยถึงแม้เราจะไม่ชอบเขาเราก็ยังต้องแผ่เมตตาให้เขายังต้องยิ้มให้เขาอาจจะต้องฝืนยิ้มก็ฝืนไปอาจจะต้องทําประโยชน์ให้กับเขาทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่อยากจะทําค่ะหนูเคยได้อ่านข้อความหนึ่งซึ่งก็ขัดอยู่ในใจเขาบอกว่าการแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือคนที่เกลียด จะทําให้เขายิ่งมีกําลังพละกําลังที่จะเกลียดเรามากขึ้นหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นไม่จริงเนาะจริงไม่ตาเดี๋ยวเขาก็อ่อนเองเหมือนกับเหมือนกับเทียนเนี่ยถ้าเราเอาความร้อนเข้าไปใกล้มันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็อ่อนโยกย่าไปเองใจของคนจะแข็งแค่ไหนพอเจอไฟของความเมตตาเดี๋ยวก็อ่อนโยกย่าไปหมด ลองให้ร้อยหนึ่งยังไม่อ่อนก็ให้สักพันหนึ่งให้พันยังไม่อ่อนให้สักหมื่นหนึ่งเดี๋ยวอ่อนเองอ่ะรับรองได้ <c oughs> <c oughs> ขอให้เรามีไฟเมตตาไปอ่อนใจเขาหรือเปล่าเท่านั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเป็นพวกที่ฮาร์ดคอร์ก็ช่วยไม่ได้นะ <c oughs> บางพวกนี้แบบทำยังไงมันก็ไม่เอาพวกบอกบุญไม่รับนี้เราก็ต้องใช้อุเบกขาแทน ว่าเราทําดีที่สุดแล้วถ้าเมื่อก็ยังเกลียดเย อ, อยู่เราก็ต้องรอรับวิบาสของเรารอรับโทษของเราไปเขาไม่ให้อภัยเราเขาไม่ยอมเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตรเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจเพราะเราอาจจะไปทําเขาหนักมากจนกระทั่งเขาไม่สามารถให้อภัยกับเราได้ซึ่งเราก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นกับคนบางคนใช่ไหม คนบางคนอาจจะทําให้เราแบบทําดีกับเรายัางไงเราก็ให้อาภาัยไม่ไม่ลงอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่และกรณีไปแต่โดยทั่วไปขอให้เราใช้ความเมตตาแล้วส่วนใหญ่มันก็จะทําให้หนักเป็นเบาได้โดยทําให้เบากลายเป็นหายไปได้กลายเป็นมิตรกันได้มีพระท่านเคยเล่าให้ฟังพระไปหยุดเผยแผ่ธรรมที่เมืองนอก มีเวลาไปสร้างวัดไปซื้อเขาไม่มีเงินไม่มีที่ซื้อวัดเขาก็เลยไปเช่าบ้านไปซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยทีนี้เวลามีญาติโยมมาทําบุญวันพระวันเสาที่นี่มันก็รถป็นก็จอดเยอะมันก็ไปรบกวนชาวบ้านเขาชาวบ้านตอนต้นก็แอนตีิววัดแอบติสํานักพระที่อยู่แต่พระท่านก็เมตตา เวลาญาตโยมมาทำบุญเวลากินอาหารก็ชวนชาวบ้านที่อยู่รอบบ้านมากินด้วยพอชวนเขามาเขามาลองกินเนติดใจอาหารไทยทีนี้แทนที่จะเกลียดกับอยากจะให้มีวัดอยู่ไปนานๆวเอ้าวจริงๆนิพพาเขาเล่าให้ฟังท่าที่เขาไปเผยแผ่ธรรมะที่เมืองนอก พราะเขาคนเมืองนอกเขาไม่ได้มีาศาสนาพุทธเขาไม่รู้ว่ า, าศาสนาพุทธเป็นยังไงเพราะโดยธรรมชาติของคนพอไม่รู้อะไรเราก็ต้องระวาดระแวงไปก่อนแนะให้มันจะมาดีแล้วมาลายอย่างไรในชะ่ไแต่พอเราเอาความเมตตาออกไปให้เขานะั่นแ่ละพอเขารู้แล้วว่าเราไม่มีพิษมีภยัยเรามีแต่คุณมีประโยชน์กับเขาเขาก็เริ่มรักเราขึ้นม า, าทันที ขอให้เราใช้ความเมตตาแต่ต้องใช้ความอดทนใจเย็นๆไม่ใช่ยิ้มหนเดียวแล้วเขาจะลักเราทันทีต้องยิ้มบ่อยๆยิ้มเรื่อยๆเดี๋ยวเขาเห็นจนติดใจ ต, ดติดรอยยิ้มของเราดีนี่เขาจะวิ่งมาหาเราเองทีนี้ต้องใจเย็นๆการแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยไม่เหมือนเปิดสวิทช์ไฟ ต้องใช้เวลาเหมือนปลูกต้นไม้การแผนเม่ตาครั้งแรกเป็นเหมือนกับอเอามเล็ดของต้นไม้ลงดินการต่อไปก็ต้องขยันรดน้ำอยู่เรื่อยๆให้ต้นไม้มันค่อยเจริญเติบโตเดี๋ยวสักพักมันใหญ่ขึ้นมามันก็ออกดอกออกผลขึ้นมาเองคำถามจากผู้ฝากถามครับการจับต้องกายการขณะรักษาพยาบาลระหว่างเพศตรงข้ามสามารถทาให้คนไข้ที่รักษา อุโบสถศีลมีศีลขาดด่างพร้อยได้หรือไม่ครับถ้ายังไม่ถ้าเป็นคารวะญาติโยมนี่ถ้ายังไม่เป็นร่วมหลับนอนกันก็ยังไม่ผิดศีลข้อสามนะครัแต่ถ้าเป็นพระนี่ผิดศีลเพราะว่าไม่ให้ตะเนื้อต้องตัวกันถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นศีลข้อใหญ่แต่ก็เป็นศีลข้อน้อยของพระมีห้ามแตะเนื้อต้องตัวเพราะกลัวถ้าทําผิดศีลข้อน้อยเดี๋ย ว, วมันจะลามไปศีลข้อใหญ่ต่อไป ก็เลยต้องห้ามตั้งแต่ศีล ข, ข้อน้อยไว้ก่อนเไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลามปามไปยังไม่ให้มีการแตะเนื้อต้องตัวกันระหว่างหญิงกับชายคำถามจากคุณเปรมมีสองคำถามครับคำถามแรกวัดที่มีพระอยู่เพียงสองรูปสามารถจัดทําบุญกรถิ่นได้ไหมคะําหลักไม่ได้หนะพระที่จะรับกรถินได้ต้องมีพระอยู่จําพรรษาอย่างน้อยสี่หรือห้ารูปไม่แน่ใจ ต้องมีสี่หรือห้ารูปขึ้นไปแล้วต้องอยู่จำพรรษาตลอดครบทั้งพรรษาถึงจะมีอนิสงส์ของการจำพรรษาคือหนึ่งรับผ้ากรถินได้มีหลายข้อด้วยกันแต่ข้อหนึ่งก็คือสามารถมีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากรถินได้ถ้าอยู่สองรูปก็ถวายเป็นผ้าป่าไปก็เหมือนกันผ้าป่าผ้ากรถินมันก็ผ้านเดียวกันต่างที่ตรงชื่อเท่านั้นเอง <c oughs> คําถามที่สอง กรรมจากการเล่นโทรศัพท์มีอะไรบ้างค ะ, ะมันมีทั้งดีนะทั้งชั่วถ้าทำทาธุระออนไลน์ก็รวยได้ใช่มถ้าเอาไปเล่นการพ น, นันก็หมดเนื้อหมดตัวได้ง <c oughs> ั้นมันเหมือนมีดอะ <c oughs> โทรศัพท์นี้เป็นเครื่องมืออย่างหนึง่งมีดก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งมีดเราไปหั่นผักหั่นหมูหั่นเนื้อทำกับข้าวได้หรือถ้าเอาไปฆ่าคนไปแทงคนก็เป็นโทษ อยู่ที่คนใช้ว่าจะใช้ไปในทางไหนงั้นคนที่จะใช้มือถือต้องศึกษาว่าเราใช้เพื่อประโยชน์ด้วยเชิดใช้เพื่อโทษกับเราใช้ประโยชน์ก็ศึกษาหาความรู้ต่างๆเหมือนกับเป็นห้องสมุดได้หรือถ้าใช้เป็นโทษก็เอาไปเล่นการพนันเอาไปดูของที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำให้เสียเวล่ำเวลาถ้าเป็นนักศึกษาก็จะเสียการเรียนได้ กอมัวแต่เอาไปไปดูในเรื่องที่ไร้สาระต่างๆในโทรศัพท์นมือถือนี่มีทั้งเรื่องที่มีสาระมีคนมีประโยชน์ทั้งมีเรื่องที่ไร้สาระที่มีมีโทษหรือไม่เกิดประโยชน์นะยัต้องรู้จักเลือก<ม>ถ้าจะใช้มือถือคาถามต่อไปจากคุณภัยทูลเมื่อผมได้ไปในที่ที่มีคนมากเช่นที่ตลาดจิตใจมักวหวั่นไหวด้วยราคา ผมจึงใช้วิธีสำรวมสายตาและบริกรรมพุโทโธตลอดเวลาเพื่อให้มีความรู้อยู่กับตัวเหมือนมีคนมองตลอดทางผมปฏิบัติเช่นนี้ถูกกาลและเทศะหรือไม่ครับก็ดูที่ผลไงถ้ามันทำให้ใจเราสงบใจเราไม่วุ่นวายก็ใช้ได้แต่การใช้คำบริกรรมพุโทโธนี้มันอาจจะ ใช้แบบชั่วคราวได้ผลชั่วคราวถ้าอยากจะใช้ได้ผลดีกว่าจะต้องใช้ทางปัญญาถ้าเรามีการมาราคะเราก็ต้องใช้อสุภาแทนที่จะเห็นคนสวยคนงามคนหลอ่อก็เห็นโครงกระดูกของเขาเห็นตับไตไส้พมงของเขาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วการมาราคะมันก็จะไม่เกิดคำถามจากคุณจินคอปอะไรเป็นความจริงของชีวิตครับเมื่อกายก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงครับ ใจนี่ เ, เนี่ยเที่ยงใจเนี่ยที่เป็นเวรไหว้ตายเกิดที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ไม่เที่ยงก็คือมันยังไม่ไปอยู่ที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันยังเปลี่ยนไปตามบุญตามบาปอยู่ถ้าจะให้มันเที่ยงมันก็ต้องไปที่นิพพานเมื่อมันไปอยู่ที่นิพพานแล้วใจก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอะไรจะเป็นพระอาหารหันต์ไปตลอดเป็นพระพุทธเจ้าไปตลอด คำถามต่อไปจากคุณปราโมทกรรมที่ทำแล้วจะหนักหรือเบาก็ตามส่งผลให้ต้องรับผลบุญและกรรมในชาตินี้เลยหรือไม่ครับคือต้องตายแล้วจึงรับผลเป็นอย่างนี้เสมอหรือครับไม่หรอกตอนเป็นก็รับอยู่ คือเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญคู่บุญคู่กรรมไม่แน่เจอคนที่เราเคยทำบุญให้กับเขาเขาก็จะมาช่วยเหลือเราเจอคนที่เราเคยไปทำกรรมกับเขาไว้เขาก็จะมาคอยรังควานเราอันนี้ก็เป็นผลของบุญของบาป ท, ที่เราทำอยู่ในอดีตแล้วบุญที่เราทำใหม่ในปัจจุบันหรือบุญเก่าหรือบาปเก่าที่เรายังไม่ได้ชดใช้พอเราตายไปมันก็จะเป็นตัวที่จะไปส่งให้เราไปเกิดในอบายหรือไปในสวรรค์ต่อ คำถามต่อไปจากคุณปิยนันการใส่บาตรอุทิศให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วขณะที่ใส่บาตรควรจะอธิฐานอย่างไรครับตอนใส่ยังไม่ต้องอธิฐานตอนใส่ก็ตั้งใจใส่อย่าไปตักบาตรแล้วหกลดลุดทำข้าวของหกเนี่ยตั้งใจมีสติใส่ให้เรียบร้อยให้ ให้ให้สวยงามบางคนตักบาตรเล่เทไปตักข้าวล้นหกพ้าต้องมาคอยเก็บข้าวที่ตักให้ออันนี้สั ด, ดาวาตักบาตรไม่มีสติบางทีถวายของล้มไปทั้งฐานเลยก็มีต้องมาคอยมาเก็บกันเพราะไปบัวที่ฐานอะไรก็ไม่รู้ ตอนถวายอย่าไปอธิษฐานอย่าไปคิดอะไรให้มีสติอยู่กับการถวายการกระทาทำให้มันเรียบร้อยอย่าให้มันบกพร่องของจะได้ไม่เสียของจะกินได้บางทีเอาของน้าแกใส่แกงเข้ามาพอยกถาดสองคนคนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่าล้มและหน้าไปหมดเลยแล้วต้องมาเสียเวลาเก็บมาเช็ดอีกเนี่ย เวลาถวายของหรือเวลาใส่บาตรเนี่ยขอให้มีสติกับการใส่กับการถวายพอเสร็จเรียบร้อยผ้าผ่านไปแล้วทีนี้จะนั่งพนมมือแล้วเลอกอธิษฐานไปในใจได้เลยขอทิศส่วนบุญที่ได้ทํานี้ไปให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ทําได้ทันทีไม่ต้องรอให้พระยืนยะถาสัพพีให้ไม่ต้องไม่ต้องมีน้ํามากวดเนี่ยเรากวดบุญเราไม่ได้กวดน้ำ ที่เขาใช้น้ำนี่เป็นตัวแทนของบุญให้เราคนที่ตาบอดไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงก็เลยให้สมมติว่าน้ำนี่แหละคือบุญบุญออกจากภาชนะหนึ่งก็ออกจากใจของเราไปอีกภาชนะหนึ่งก็เป็นผู้รับเท่านั้นเองคือเรื่องของน้ำมีไว้เป็นตัวอย่างของบุญที่เป็นน้ำมาทำมองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อต้องเห็นได้ด้วยตาใจ คือกระแสความสุขนี่เราจะส่งไปได้ส่งไปเหมือนกับส่งกระแสโทรศัพท์เนี่ยคำถามต่อไปจากคุณบุญพรมลูกชายคนโตอายุสิบห้าขวบ ให้ลูกเดินจงกรมพร้อมกับพ่อทุกวันทั้งที่ลูกไม่เต็มใจแต่เขาก็ปฏิบัติได้ตามเวลาที่กําหนดการที่ผมปฏิบัติกับลูกอย่างนี้มีผลดีผลเสียหรือไม่อย่างไรครับอ๋อไม่เสียเราก็เป็นการฝึกให้เขามีสติฝึกให้เขามีความเพียรดีกว่าปล่อยให้เขาไปเล่นโทรศัพท์มือถือหรือไปเล่นเกมเนเด็กที่ยังอยู่ภายใต้การควบกลุ่มบังคับของเราได้เราต้องบังคับ ถ้าปล่อยปะละเลยมันก็ไม่ได้สั่งสอนเขาไม่ได้ฝึกฝนนิสัยที่ดีให้กับเขาเขาก็จะเอานิสัยเดิมที่เขามีอยู่ถ้าชอบเล่นเขาก็จะไปเล่นต่อการเล่นนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรถึงแม้เขาทำแล้วเขาไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรถ้าเขาทำตามที่เราสอนได้ก็เขาจะได้ประโยชน์เช่น เวลาเดินก็ต้องบอกให้เขาเดินให้ถูกว่าต้องมีสติด้วยไม่ใช่เดินตามเราเราก็นั่งบ่นไปในใจว่าพ่อกูทําไมทำอย่างนี้กับกูวะ <c oughs> ต้องบอกว่าเวลาเดินให้พุโทโธพุโทโธไปหรือให้ดูเท้าไปว่าตอนนี้ก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาเทำในตรงนี้แล้วก็จะได้สติแล้วก็ได้ความขยันเพราะเวลาเดินนี้ต้องขยันถึงจะเดินได้ถ้าขี้เกียจก็จะเดินไม่ได้มันเป็นการฝึกสร้างวิริยะบรารมี ความขยันหมั่นเพียรฝึกสติการเลือกเรรู้อยู่ต้องสอนเขาให้ถูกวิธีด้วยไม่ใช่ให้เขาเดินตามไปแล้วก็บ่นไปอพ่อครูนี่มันไล่าการแล้วเกินกูเกิดมามีกรรมยังไงไมู้ต้องมาเจอพ่อแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็มันก็จะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้กับลูกไปต้องสอนเขาต้องบอกเขาให้รู้ว่าเขาทํานี้จะได้ประโยชน์อะไรต่อไปเขาจะได้เป็นคนเก่งคนขยัน คนเราจะร่ําจะรวยได้จะสําเร็จอะไรได้ต้องมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะถ้าไม่มีความพยายามไม่มีความเพียรแล้วความสําเร็จปรากฏขึ้นมาไม่ได้เออต่อไป พี่สาวของหนูว่าค่ะท้องฝาแฝดใช่ไหมคะห้าเดือนแล้วมาตรวจปรากฏว่าเสียชีวิตคนนึงแล้วแต่ว่ายังเอาออกไม่ได้ค่ะก็คือหมอบอกว่ารอให้คลอดก่อนแล้วค่อยดึงออกมาพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้วิ ญ, ญญาณเด็กเขาจะไปเกิดแล้วไหมคะหลวงพ่อหรือเขาก็ไปที่อื่นต่อแล้วเขาอาจจะไปรอหาร่างกายอันใหม่เมื่อร่างกายนี้ใช้ไม่ได้เขายังอยู่ในฐานะที่จะเกิดได้เขาก็จะไปหาร่างกายใหม่เพราะก็ยังไม่ได้ไปทําบุญทํำบาป สถานภาพของการเป็นมนุษย์ของเขายังอยู่ครบบริบูรณ์อยู่เขาก็เพียงแต่รอไปหาพ่อแม่คนใหม่พอพ่อแม่คนใหม่ท้องลูกขึ้นมาเขาก็ไปเกาะได้คำถามจากคุณพิทักรครับ อ, อ, อ่านหนังสือธรรมะแล้วเกิดความสงสัยในคําว่าสัญญาวิปลาสครับคืออะไรครับก็สัญญาความจําที่ไม่ตรงกับความจรงิงเนี่ยไปวิปลาสคิดว่าเราเป็นมหาเศรษฐี่ี ทางั้งที่เราเป็นขอทานไปวิปลาสคิดว่าเราเป็นนายกยา น, ยานี่เดี๋ยวก็ไปประกาศเรียกร้องตำแหน่งว่าผมเป็นนายกทำไมไม่ให้ผมเป็นเอะอะไรวะแค่นี้ก็ <laughs> นี่ก็สัญญาวิปลาสเห็นเห็นจึงจบคิดว่าเป็นงู <laughs> ตกใจ <laughs> ตัวมันเริ่มตัวใหญ่กว่าจิงจกอีกไปกลัวจิงจกอ่ะเ <c oughs> นี่ยอะไก็สัญญาวิปลาสไม่ต้องกับความเป็นจริงแต่เพราะมันจริงจกมันไปจะกลัวอะไรมันใชนี่ไปคิดว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮครั้งหนึ่งหนูเคยข้ามถนนนะคะแล้วเป็นเนินบังตาแล้วข้ามได้ถึงกลางถนนกําลังจะก้าวอีกก้าวหนึ่งแล้วมีเสียงตะโกนว่าหยุด เสียงดังมากทำให้หนูถอยเท้าไม่ก้าวข้ามแล้วก็มีรถคันหนึ่งแบบวิ่งไปต่อหน้าเลยค่ะคือห่างแค่หนึ่งก้าวแล้วหนูก็ข้ามไปหันหลังกลับมามองไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เ, เสียงนั้นได้ยินอย่างชัดเจนเ ทุกวันนี้ก็เลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรค่ะเสียในไงเสียงภายใน <Okay. S 2> อาจจะเป็นเสียงเทวดาแล้วอาจจะมีเทวดาคุ้มครองก็ได้เนี่ผู้ที่มีความเมตตาพระพุทธเจ้าบอกจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีพระเทวดาคุ้มครองรักษาเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเทวดาเสียงเทวดามา มาเตือนเหนาก็ได้พระอาจารย์บางรูปนี่ท่านบินทบาทท่านไปเดินทุดงในป่าแล้วหลงป่าอดข้าวหลายวันมันดีคนดีมีเทวนามีใครไม่รู้เอาเอาข้าวมาใส่บาทให้ทนทั้งที่ท่านไม่ได้คิดว่าถังนั้นจะมีคนอยู่เขาก็มาขอใส่บาทพอใส่เสร็จท่านก็ถามว่ามาจากไหน แต่คนนั่งใจคนนั้นก็บอกมาทางนู้นแล้วเขาก็เดินไปกลับไปทางที่เขาชี้บอกพอท่านมองตามไปพอท่านพอคนนั้นเดินเดินไปเดินไปอยู่หลังต้นไม้ท่านก็เดินตามไปดูมองไม่เห็นทนแล้วท่านก็เลยคิดว่าเป็นเทวดามามาโปรดมาคุ้มครองท่านมาช่วยเหลือท่านเพราะท่านอดข้าวหลายวันเดินทุ ด, ดงในป่าแล้วหลงทางหาทางออกไม่เจอ อันนี้ก็มีเนี่ยมีรู้สึกจะมีในอยู่ประวัติของพระอาจารย์มั่นหลวงตามหาบัวท่านเล่าให้ฟังแต่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของพระอาจารย์มั่นอาจจะเป็นเรื่องของลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นเล่ากันมาฟังกันว่าบางท่านมีเทวดามาคอยคุ้มครองอย่างน้องปู่ชอบีนท่านจะเป็นคนที่มีติดต่อกับเทวดาอยู่บ่อยๆครั้งหนึ่งท่านอดอาหารหลายวัน เทวดาเห็นท่านก็สงสารเรามาเอาอาหารทิพมาถวายให้แต่เป็นผู้หญิงท่านบอกว่ารับไม่ได้เพราะอาหารทิพนี้ต้องมาชโลมที่ร่างกายท่านท่านบอกว่าเป็นผู้หญิงมาแตะเนื้อต้องตัวพระไม่ได้ท่านเลยต้องปฏิเสธว่ารับอาหารนี่ไม่ได้เขาบอกไม่เป็นไรไม่มีใครมองเห็นรับเป็นกายทิพท่านก็บอกว่ากายทิพใครเห็นหรือไม่เห็นมันก็ไม่พ้นกัน ผิดข้อข้อห้ามของพระจะทําต่อหน้าหรือรับหลังก็ผิดเหมือนกันท่านต้องการรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเนี่ยท่านเลยปฏิเสธไปแล้วท่านบอกว่าท่านตั้งใจจะอดเองไม่ใช่เพราะอดเพราะว่าท่านไม่มีกินท่านต้องการใช้การอดอาหารเป็นการช่วยเพิ่มความเพียน<ม>เพิ่มความอดทนเอ ท่านก็เลยปฏิเสธไปแต่เทวดาก็ไม่อยู่ในธรรมระดับนั้นเขาก็ไม่เข้าใจเห็นท่านอดอ ด, อ, ดอยากๆยากก็อยากจะมาช่วยเหลือท่านคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามจริงหรือไม่ครับที่พระโพธิสัตว์ รู้ธรรมเท่าพระอาหารหันต์ที่จะสอนให้คนบรรลุธรรมได้แต่ตัวเองยังไม่ยอมไปครับออไม่ได้หรอกถ้ารู้ก็ต้องบรรลุ ก, ก่อนนี่มีใครอยากจะติดคุกวะพอรู้จักทางออกจากคุกก็ออกก่อนทั้งนั้นแหละออกแล้วค่อยมาสอนคนที่ติดไถ่ภายหลังให้รู้ทางออกว่าเป็นอยู่ตรงไหนไม่ใช่มัวแต่มานั่งบอกให้ทางนี้ทางนี้ไปเลยไปเลยกลัไปทีหลังก็ได้ ไม่ได้หรอกไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นคนโง่เท่านั้นคนบ้าเท่านั้นที่จะทำอย่างนั้นไม่มีใครอยากจะติดคุกกันใช่ไหม พอรู้จักท่องเช่างทางออกนี้ไม่ไปรอไปบอกใครก่อนแล้วคูไปก่อนแล้วล่ะไปแล้วค่อยส่งจดหมายเขียนที่ทางออกให้เขาให้คนได้อยู่ในคุกต่อไปไม่ดีกว่านอนั้นเป็นไปไม่ได้่ะพระโพธิสัตว์นี่ยังเป็นบุตุชนธรรมดายังไม่ได้เห็นมรรสิยังไม่ได้เห็นพระอริยสัจสียังไม่มีดวงตาเห็นธรรมคำถามต่อไปจากคุณเปรมเคยไปปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาด ลงคลองครั้งแรกตอนเป็นเด็กรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆ ห, ห, หลุดออกจากกลางอกตัวเองเจ้าค่ะใช่เจ้ากรรมในเวรหรือไม่คะที่หลุดออกจากร่างของตนก็เป็นความรู้สึกที่มันหนักอยู่ในใจพอทำบุญมันก็ทำให้เบาอกเบาใจขึ้นมา <c oughs> คำถามจากคุณไพฑูลครับผมพยายามภาวนาบริกรรมพุทโธอยู่ตลอดเวลา บางครั้งมีคนเข้าใจผิดเพราะกำลังโกรธเพราะไม่พูดไม่คุยเคร่งขรึมและอาจไม่ยิ้มด้วยผมปฏิบัติถูกต้องไหมครับถูกต้องความรู้สึกของคนอื่นเขาก็าคิดไปตามความเข้าใจของเขาปกติคนอยู่ที่ไหนร่วมกันก็ต้องคุยกันด้วยทักทายกันงั้นอย่างน้อยถ้าต้องการป้องกันความรู้สึกไม่ดีก็ทักทายกันไปก่อนให้เขารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรกับเขาเสร็จแล้วเราค่อยมาพูดโทรของเราไป เวลาพบปะกันก็ต้องรู้จักใช้ทำแบบไหนไม่ใช่อุเบกขาไปทั้งดุน้นเจอใครก็อุเบกขาไปแต่เวลากินไม่อุเบกขาแต่เวลาทํางานนี่อุเบกขาไม่ได้หรอกมันต้องรู้จักกาลเทศะว่าคนตอนนี้ควรจะเมตตาหรือคนจะอุเบกขาคนที่จะกรุณาหรือคนรจะมุติตา มันต้องขึ้นอยู่กับสภาพของเหตุการณ์เหมือนกับขับรถเราต้องรู้จักเปลี่ยนเกียร์ตอนนี้ต้องถอยหลังก็ต้องเข้าเกียร์ถอยหลังตอนนี้ต้องเข้าเกียร์เดินหน้าก็เดินหน้าตอนนี้ต้องเข้าเกียร์ว่างก็ต้องเกียร์ว่างมันถึงมีเกียร์ให้เราเปลี่ยนนใจเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ก็มีเกียร์เหมือนกันตอนนี้ต้องเมตตาก็ต้องเมตตาไม่ใช่ไปอูเบกขาถึงเวลาตอนนี้ต้องอูเบกขาก็อย่าไปเมตตามันต้องรู้จักใช้ ทำทั้งสี่ประการนี้ให้เหมาะสมกับกรณีคำถามต่อไปจากคุณธนากรอยากเห็นเทวดาต้องปฏิบัติหรือทําอย่างไรครับก็อย่าไปอยากเลยเพราะว่าของนี้มันยากของพวกนี้มันขอให้ถือว่ามันเป็น ประโยชน์ที่จะตามมาแต่ไม่แน่นอนเสมอไปอยากจะมีเห็นเทวดาเห็นตาทิพย์ก็ต้องมีตาทิพย์ต้องเปิดตาในตาในของเราตอนนี้ถูกอัปโมหะอาวิชชาความโลภความโกรธครอบงำอยู่เราต้องเบิกมันออกด้วยการฝึกสติสมาธิ ถ้าเราจิตทำจิตใจให้สงบได้โมหะอาวิชชาความโลภความอยากมันจะสงบตัวลงมันก็จะทำให้ตาในเราเปิดขึ้นมาทีนี้จะเห็นไม่เห็นนี่ก็อยู่ที่พลังของจิตของเราบางคนเปิดแล้วแต่มองอาจจะมองไม่เห็นอะไรก็ได้บางคนเปิดแล้วเห็นก็ได้อันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับวาสนาเดิมเคยฝึกทางนี้หรือไม่แต่ทางศาสนาพุทธเหล่านี้ไม่เน้นการที่จะไปเห็น เราเน้นในการที่กําจัดกิเลสเป็นหลักส่วนการเห็นการทิพย์การติดต่อกับการทิพย์นี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้แต่ไม่สําคัญได้หรือไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษสิ่งที่ควรจะได้ก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคําถามต่อไปจากคุณปียนันน์ถ้าอธิษฐานหลังใส่บาตรให้ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว กลับมาเกิดเป็นญาติพี่น้องกันอีกจะได้หรือเปล่าครับที่แต่งได้แต่ผลไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะมันขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมอยู่ที่บุญกับบาปที่เขาทำไว้อยู่ที่จังหวะที่เขาจะไปเลือกท้องของคนได้ที่ไหนเหมือนเลือกที่จอดรถยังเลือกไม่ค่อยได้เลยไปเลือกท้องของคนมันยากกว่ากี่เท่าเห็นไหมลองไปเลือกที่จอดรถดูเลยเวลาไปจอดที่ไหนบอกจะขอจอดช่องนี้ช่องเดียวนี้ อาจจะต้องเวียนไปสามวันสี่วันกน็ช่องนั้นอาจจะว่างก็ได้แต่ดวงวิ ญ, ญญาณเราไปขับเหมือนขับรถไม่ได้มันถูกกระแสบุญกระแสบาปชุดลากไปงั้นก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตาม้ามกฎแห่งกรรมไปอย่าไปกังวลกับมันมากคำถามจากคุณธงผมมีคณะไปปล่อยปลาทุกสองเดือนพ่อค้าที่ส่งปลามาแต่สิบโมงเช้า แต่คณะมาถึงพร้อมกันช่วงบ่ายกว่าจะได้อธิษฐานปล่อยปลาลงแม่น้ำมีปลาบางส่วนไม่ไว่า้น้ำแล้วหงายท้องลงน้ำไปเลยไม่ทราบว่าพวกเราที่ปล่อยปลาจะเป็นบาปไหมครับก็มีส่วนให้เขาตายหรือเปล่า พราว่าเราไม่มารีบปล่อยให้เขาเขาหิวข้าวเขากําลังอยากจะไปหาข้าวกินเราก็ต้องมามัวรอให้มาเรามาที่ฐานกันก่อนก็สั่งให้เขาปล่อยให้เราแทนแล้วก็หมดเรื่องมันก็ปล่อยเหมือนกันมันจะได้ไม่ตายที่ตายเพราะว่าเราไปสั่งให้เขารอเราเลยใช่ไหมงั้นอย่าไปสั่งถ้ามาไม่ทันก็ถ้าไม่เรามาไม่ทันให้เรื่องทําบุญนี่มันสายกันแล้วก่อนแลเรื่องเที่ยวมันไม่ค่อยสายกันขึ้นเครื่องตรงเวลาเปี้ยเลยเวลาเครื่อง ออกกี่มองนี้ไปตองเปี้ยเลยเวลาไปทําบุญนี้มาชอบไปสายกันเหลืเกินสแสดงว่ายังไม่ไม่เชื่อมั่นในการทําบุญหรือทําแบบไม่เอาจริงเอาจังก็เลยทําให้เกิดการเสียหายหตามมาได้คําถามจากผู้ฝากถามทําอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วขายให้เขาไปแต่เราเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปค่าเพื่อทําอาหาร คนที่ขายไปจะเป็นบาปไหมครับทำไมไม่ถามวะเหรอจะได้รู้ถ้าก็เอาไปฆ่าจะได้ไม่ขายถ้าก็เาไปเลี้ยงต่อเอาไปทำงานก็ขายเขาไปถามได้เนี่ยทำไมไม่ถามถ้าไม่ถามก็ถือว่าเป็นการบกพร่องของเราเอ่อเะนั้นเป็นการที่เราไม่มีความเมตตาขาดความเมตตาถึงแมาจะไม่เป็นบาปแต่มันก็ไม่ควร